ฟังรามกันสุสุสองและปเตบัญญัติโ้ฟังด้วยดียอดได้บัญญาตถ้าฟังไม่ดีก็ได้ปัญหาการฟังธรรมเป็นงงคนเันหนึ่ง ในมงคลสาสบปประการการสนทนา ร, รมตามการเป็นมงคลนั้นหนึ่งการไม่ครบผลผ่านก็เป็นมงคลการครบบัณฑิตก็เป็นมงคลการบูชาสิ่งที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เป็นมงคล เราเออกจากกายจากใจเรานี่ไปทำมีทั้งสามสิบปดประการอยู่ในการในใจเรานี่ไปสร้างมงคลให้ในความเจริญแก่โลกชีวิตของเรามงคลเหล่านี้เกิดขึ้นในมนุษย์เทวด า, ามารพรมในโลกแต่ถ้าใช่ชีวิตไม่เป็นก็เป็นอัปมงคล เปนทุกเป็นโทษได้จึงศึกษาบ้างดังโบรานท่านว่าตราบออกจากบ้านกับบวชห่งหอมทางไปพอศึกษาเราเลี้ยนกับบวชไม่ขว้นรูปเลี้ยงบางไม่รูปแสนจะเลี้ยงหกอยู่ ที่ลูวสิลัสละถิ่มแสนสชลูกกระเปาดายตระลานปลายเดปลายจะลั่งล่อพายต่วันจะสายตลาดจะไหวาสายบัวจะเนา่าเป็นคตในท่ท่อมตนเป็นเพลงิงโอเยินก็ไปเมื่อะเล็กละน้อยอยังสิเดงยัยสูเพื่อนลงจินหางาย เพื่อนโลภตายหายยากขอ บ, บันตริตต์ไปไปหาผลพบผลพ่านไปให้ยากจนเราเลือกได้ในโลกด้วยถ้ามีตามนหูภานอกก็เลือกได้เมื่อมาถูกกับเราภายในเราก็เลือกได้ชีวิตนี่เลือกได้ เลือเอาความดีได้ในที่เดียวกันนี้โดยกายในใจนี้ความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจก็ไม่ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจได้ความโกรธเกิดขึ้นที่ใจความเลือกโกรธก็เกิดขึ้นที่ใจได้เหมือนกลีบเกสดอกเดียวเปิดก็ได้ปิดก็ได้ เจ้าชิงแล้วอยู่คนละที่ไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมต้องอยู่ที่เดียวกันจึงเป็นปัจจัดตังตะการหรือกระทำไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่อยู่ที่อื่นเมื่อมีความแฉะก็มีความไม่แฉะอยู่ด้วยความแฉะนั่นเครืองมือความเจ็บก็มีความไม่เจ็บอยู่ในความเจ็บนั่น เมื่อมีความตายก็มีความไม่ตายอยู่ในความตายนั้นถ้หัดดีๆจะเห็นช่องทางจะ ม, มีจิตติเป็นดวงตาภายใดฝึกกายฝึกใจของเราเราก็มีกายมีใจมีสิตติเป็นครูของกายของใจสอนกายสอนใจ คูของกายของใจพิสติตสองประชันย่าไม่ใช่คู่แบบฝึกพลละฝึกกีฬาฝึกงวยฝึกงานการต่างๆอันนั่นเป็นอันหนึ่งนอกไปนอกกายนอกใจไปไม่เป็นไปเพื่อความดับกทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อพนิพพานรู้ แต่ยังใช่ไม่ได้สติจึงเป็นโคผึ่ ก, กายผึ่ใจเวลาใจมันคิดอะไรให้รู้สึกตัวสารจะไปตามความคิดจะคิดได้ทุกอย่างไม่ได้ให้มีสติพาจิตกลับบ้านบ้านของจิตคือรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวก็ปกติ บ้านของกายคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวคือปกติก็เหมือนกับจิตอยู่บ้านกายอยู่บ้านจิตเป็นตัวนำให้กายให้ใจกลับบ้านไม่ใช่ตาใช่หูไม่ใช่เครื่องมืออืนอ่นๆสติตั้งหนกเป็นกันรักษากายใจให้เรียบร้อย ปกติก็เป็นศินแล้วแต่นี่ไม่มีใครพาไม่มีอันใดพากายกลับบ้านพาใจกลับบ้านบ้านเป็นชีวิตที่ท่องเที่ยวไปในวัดตะสงสารเวลานอนก็เที่ยวคิดโน่นคิดนี่ฝันไป นอนก็ขอนไม่ได้อยู่บ้านจิตนั่นแหละกายก็ไม่กลับบา้านก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบางทีก็เป็นโลกหัวใจล่มเหลวตายแต่ขณะที่นอนนั่นเหนื่อยเมื่อเวลานอนเชิดมากขันมากเมื่อมัน เหนื่อยเวลานอนเพราะความคิดปะให้เป็นทุกข์หนอกพอไม่มีเครื่องทุ่นแรงให้หัวใจเต้นเมื่อไม่มีเครื่องทุ่นแรงให้หัวใจเต้นหัวใจก็ล่มเหลวก็เป็นเช่นนั้นเมื่อหัวใจล่มเหลวหัวจะปั้มหัวใจ คนอื่นปั้มหัวใจเส้นหมอมือกดลงที่หัวใจเขย่าเขย่าเขย่าไม่มีแรงปั้มหัวใจเคลืนมาให้หัวใจทํางานได้แต่เวลานอนไม่มีเครื่องทุ่นแรงหมดกําลังเหนื่อยเมื่อล แต่ว่าความเหนื่อยทั้งใจยังมีอยู่ก็เลยหมดแรงทั้งกายหัวใจก็ทํางานไม่ไหวลำไม่ไหวเมื่อหัวใจไม่ทํางานไม่ไหวเลือดก็ไม่ด้วิ่งเมื่อเลือดไม่วิ่งก็เลือดอุดตันตายไปก็เป็ น, ปนโรคหัวใจวายตายเวลานอนหลับเพราะเหตุนี้ไม่มียาใดรักษา บางทีก็ไม่จังนอนหลับหัวใจวายหัวใจล้มเหลวก็มีเหนื่อยมากคิดิดิดิก็เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดเพราะมันใช่ไม่เป็นตั้งแต่เกินมาไม่แตคิดทั้งนั้นเพราะมันมีโลกมีรสของโลกให้คิดไป มีลูกมีรถมีกินมีเสียงหลอกให้คิดเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ยังมีรถวิทยาศาสตร์เสียงวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์การสัมผัสมีวิทยาศาสตร์หลอกให้กายให้ใจหลงไม่อยากฟังก็โดยฟังมันบังคับให้ฟังบ๊บดังมาก เพื่องขยอยเฉียงห้ารอยวัดหนึ่งพันวัดตู้เท่าสลาลเดี่บังคับเป็นคนฟังบังคับเป็นคนเจ้นบังคับเป็นคนหลงเพราะถ้าไม่เปิดก็หลงไปตามโลกตรงฟาเเดาเทียมบังคับเป็นคนหลง สื่อสอนมวลชนกาเดินภาพก็มไม่น้ำตาน้ำหลไหลก็มีเห็นภาพน้ำหไหลไหลเราจะสอนให้คนหลงเพื่อจะได้ประโยชน์จากคนหลงในโลกนี้ถ้าเราไม่ศึกษาก็จะตกเป็นทาสของความหลง่าตกเป็นทาสของผมหลงคนที่ ได้ประโยชน์คือคนฉลาดฮะเงินจากคนหลงผูีติดเราใช่เอาเราเป็นเงินเป็นทองแล้วสอนให้หลงก็ได้ประโยชน์ผู้ที่สอนให้โล่เนี่ยนั่งพูดอยู่เนี่ยมาทากันนอนหลับไม่ตั้งใจฟัง แตถ้าไปเสียงเพลงเรตั้งใจฟังดูหนังจั้งใจดูตลอดคืนเวลามีพ่อมีแม่ไม่ผู้บอกมาจากฝังมันไปกันอย่างนั้นเพราะมันหลงมากแล้วเวลาครูสอนโดดห้องเรียน เ, ยเรื่อยถดิคนหนึ่งลุกไปห้องน้ำกัลุกไปดามกันแต่ทั้งครูสอนวิชาที่น่าสนใจไม่ตั้งใจฟังมันก็ไม่มีความรู้ มันหิวไปล้นหลอมหลงมันหิวไปพาไปง่ายเล่นง่ายเอาใจมาศึกษามันยากตวนกระแสสิงต่างกันโด้ฟังสิงเดียวกันแต่ไม่รู้ความรู้คนที่ติตั้งใจฟังเขาได้ความรู้ขอได้ประโยชน์ เดือนมาตัต่ปวหนึ่งพวสองปวสามปวสี่ปวห้าปหกปฐมเดือนชั้นปฐมชั้นปฐมก้าหน้าวิชาดีฝาให้สู่มัธยมได้มัธยมเกยไปสู่อุดมง่ายเรียบไปเลยเดินเข้ามหาวิทยลได้อย่างสบายถ้าคนไม่มีความรู้ก็ดันได้ยาก ไวม่นานมันจะมองไม่ดีเพราะไม่ฝึกนั่นเพราะนั้นจึงมีสติเอาไว้สอนกายสอนใจพากายกับบ้านพาใจกลับบ้านให้รู้สึกตัวนั่นแหะคิดสิ่งได้รู้สึกตัวพูดสิ่งใด้รู้สึกตัวทำสิ่งใดรู้สึกตัว เรีย่าให้สติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจอย่าให้ความหลงควาโกรธเป็นเจ้าของกายของใจความทุกข์เป็นเจ้าของกายของใจตามตามความหลงตามตามควาโกรธตามตามความทุกข์เสียเปลียนความหลงเสียเปียความโกรธเสียเปียความทุกข์คนอื่นก็เดือดร้อน องื่นก็เดือดร้อนนี่คือธรรมะฝึกตนสอนตนมีค่าว่าคชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งมาฝึกหัดกายใจให้กายใจได้มีประโยชน์ใช่แต่ใช่ไปตลอดชีวิตนาน เ ป, เป็นต่เ ด, ด, ด็กจึกต่หนุ่มน้อยเราจะมีสติปัญญาจะใช้ไปนานๆแต่ฝดกดีๆก็เหนือการเกิดจาสัตา์ได้ไม่ต้องทุกข์ประมทุกข์ตัวนี้เราหลับใช้ความทุกข์หลับใช้ความโกรธ ร, รับใช้ความโลภหลับใช้ความหลงหับใช้หรือตัณหาหลาคะ สึ่งแวดล้องก็ไม่ค่อยจะดีกินหวมหวมหอ ม, หอมจอบ่อกาทราบด้ยมาไปใช้ทางใดว่าลูกเอาไว้กินเสียงเอาไว้กินกินเอาไว้กินกลายจะไม่ได้ค่อยๆกินเท่าไหร่ส่วนที่ชื่อมาให้กากินกลายทั้งนันหนักความชั่วไปยุ่นวุ่ หาเงินได้ปรชื้อบุหรี่ว่าถูกบุหรี่ไม่ใช้อาหารนี่จะทุกจะโทษหาเงินได้ประชื้อเหล้ากินเหล้าไม่ใช่อาหารกายไม่ได้กินเลยกายเปผู้ทางานเหงื่อไหลยขย้อยแต่ไม่ได้กินอาหารเพราะได้ถ้าค่าแรงอันอื่นนำไปกินหมดมันจะเหลืออะไร เินหวงหวงหวงจบพอโบราณทนว่าทำงานได้มาก็ซื้ออาหารมากินอาหารกินได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ต้นมีเงินซื้ออาหารได้กินหมดเงินสมบาท ชื่อปลาทูว่าแจ้งใส่ผักไปจินทั้งพอทั้งแมวทั้งลูกทั้งเต่าตัวเราไปชื่อเล่าจึ้นแต่เราคนเดียวมันก็ไม่คบวงจรเป็นคนโกงโกงสมาชิใาานในาากในครอบครัวทุจริตในครอบครัวลูกน้อยๆจงไปโงเรียนมันไม่เรียนไปเล่น ทุจรู่ในครอบครัวพ่อแม่พ่อแม่อุด่งอุดสาเสียเลยนำเวลาให้เหลียนไม่ให้ทำไล่ทำดาเล่นเที่ยวเล่นขี้เกีย ว, ท, ยวที่ข้าดหุงข้ามาเั็นนึ่งเข้ามาเกินตาหน้าพริกไม่เป็นนี่จะทำป้วนใช้เล่นเก่งก็เลยไม่มีประโยชน์ไม่มีวงจรที่เป็นเรื่องดี ถ้าทำดีมีสติฝึกกายฝึกใจชีวิตทั้งหมดเป็นวงจรเศรกิจ ด, ดีสังคมดีสุขภาพดีระเบียบ ว, วินัยนดีจิตวิญญาณดีจะมีจิตวิญญาณชีวิตเนี่ยจิตวิญญาณสำคัญ ในการมีใ จ, จเป็นจิตวิญญาณอาชีพจิตวิญญาณแล้วก็อาชีพเพือจะทำมาหาจริ้วิชาหาอยู่หาจินบ้างอุกภักเป็นไหมเป็นเมื่อเจ้ามีกาหลังยามมีอะไรของจริงตามเป็นไหมหรือจะชื่อจิน อาชีพบริจาคธรรมหาจนสุจริตการงานชอบสุขภาพื่อจักรักษาอะไรสุขภาพทางกายทั้งใจเลือกเป็นทุกวันนี้มีแต่โทษเรื่องสุขภาพทางอาหาร อากาศนี่จะภายทั้นั้นต้องมาช่วยกันเศรษฐกิจสุขภาพเราอดเราหวังการอยู่การกินุกวันนี้หเจะลดแต่ชาติม่ได้การได้ยินการได้ฟังมีสติสติพาให้กลับบ้านไม่ดื้อ ถ้าเราไม่ฝึกคิดนี่โอ๊ยไทุกอย่างเร า, าคิดอยาคิดอะไรก็ได้จิจนี่ไม่ได้นะมันจะซุกสนมันจะดื้อด้านด้านดื้อก็ไม่พอพอสอนได้แต่ด้านเร า, านนะสอนไม่ได้เลยไปแล้ววันดีเราอยู่ที่นี่ ตั้งต้นกันยังไงเขียนเช่นประธานไหนเรานะทำออนไลมีเกนฑี่วัดบ้างไหมอะไรโดยเฉพามาบวชนี่อะไรฝึกอะไรบวชคืออะไรละความชั่วคือใดทำความดีคือใดคิดบริสุดคือทำอย่างไรหรือห่มผ้าเหลืองเฉยๆนั่นไม่ใช่หรอ บวชคือละความชั่วมันคิดชั่วก็รู้สึกตัวมันคิดสุขก็รู้สึกตัวคิดทุกข์ก็รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่คือละกวอมชั่วแล้วทำไม่คิดนะสอนเสร็จแล้วมันคิดไปรู้สึกตัวนี่หละกวอมชั่วทําความดีแล้วรู้สึกตัวนี่สอนเสร็จแล้วือ มันจะกลัวคนลั่นจะรักคนนี้รู้จักตัวสอนขิดแล้วรับกองชั่วแล้วไม่เยไปเอาคนนั่นดีคนนี้ไปดีดีของเขาชั่วของเขาจมมองจะดีโดยฝ่าเดียวมองแง่ดีโดยฝ่าเดียวส่งกองชั่วอย่าไปดูเข า, า, าเลย สะฮอนคนมีดีโดยเดียวอยากมวเที่ยวค้นหานัเพื่อนเลยเหมือนเที่ยวหาหมอนเต่าตาเก่าเลยผู้ใกล้เคยมองแต่ดีมีคุ้นจริงมองกวามชื่วของเขาเที่ยวของลรามีเช่นเขาหมยเขียนภาพ่าสนาือจะได้มองตนถามมองตนเั็นกระจก สองเอาแล้ว ก, ก็จบเราจะแต่งหน้าแต่งตาแล้วมีกระจกเรามองไปข้างหน้าแต่มันมันสะท้อนถึงเราเหมือนกระจกเงาเพแต่งหน้าแต่งตาเราจะเห็นตัวเรามองคนอื่นชั่วเรามีชื่วเหมือนเขาหมยมองคนดีเราไม่ดีเหมือนเขาหมา ย, ม, ม, ม, า ม, ายมาแต่งตัวเอง บัณฑิตต้องสอนตัวเองคนตานต้องสอนคนอื่นขี้โทษคนอื่นบัณฑิตต้องขี้โทษตนเองเสมอมองไปข้างหน้าจะมาเห็นตัวเราเตือนเราคนอื่นนินทาเราเระวองเราดูชเชะเวือนเขานินทาหมายอย่าไปฟังเขาว่านะ้าไปโกรธรีบโกรธไม่ได้อาจาจะได้ประโยชน์ ความที่ชีเน้นดาความี่โทษคนอืน่นแต่เป็นประโยชน์ต่อเราเหมือเขาขี้ของชับให้เรากนลองมาเข้าใจมกักจโตดธจ้ะบางทีโกรธพ่อแม่พ่อแม่บอกก็โกรธถามว่าพ่อแม่ดา่าโตรธบ้านหนีอย่างนี้ที่จริงมันเป็นความรักานลูกเจ้าไม่เข้าใจ เวลานั่นเราไม่ดีเราก็มองเรา จ, จริงจไม่ดีมันเขาหมายที่เขาว่าถ้าเราไม่มีเหมือนเขาว่าแล้วก็รีบแจ้งขายขอบคุณในใจขอบคุณขอบคุณในใจได้สติเกินมาเล้รู้จักตัวเกินปลาถ้าหากว่ามันไม่ดี ม่ไม่เหมือนเขาว่าเราไม่ทำเหมือนเขาว่าเราก็ขอบคุณเขาได้ขอบคุณเขาได้ขอขอเขาเข้าใจผิดตายก็ขอบคุณเขาที่เขาว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องโกรธเขาก็ได้ขอบคุณได้ทั้งสองอย่างถ้าเขาว่าไม่ดีก็เสียใจถ้าเขาไม่ว่าดีก็ดีใจมันไม่ใช่อย่างนั้น ไมใช่คนอื่นหิ้วไปยว่ห้นสนุกเป็นทุกข์เพรคนอื่นเอาคิดไปห้อยไปเฉินกับคนอื่น๋อเนนทาก็เสียใจขาชนะเฉินก็ดีใจไม่ใช่อย่างนั้นนะโลกเนี่ยเราอยู่อย่างนี้นก็ไม่ ม, มีที่อยู่เดียวเราต้องมั่นคงมีสติเต็มที่เพาาื่อไหวงดสอนตน เถื่อนโจแช่ไขโจนมีสติจะอยู่เป็นสุขต้าไม่แก้ไขโจนไม่เถือนโจไม่มีสติก็จะปลิวอยู่ช่นด้านปิดใจเหมือนนุ่นปลิวง่ายจิตใจเหมือนเข้ารีบขอจะปลิวไปตามาลมเวลาลมพัดก็ปลิวไปถ้าเราฝึกมีสติก็จะจิตเหมือนท่อนหิน ไม่ติวไม่กอ้อนเห็นคือสีลาสีลาคือสีสีแดงสีลสลาสีลาสีนคือสีลาสีลาก้อนเห็นผู้ใดมีจิตเหมือนก้อนเห็นผู้นั้นเหมือนสีผู้ใดมีจิตเหมือนนู้นคนนั้นไม่มีสี แม้จะหงผ้าจี ว, วโรโคนผมว่าไม่มีศีลไม่ใช่ศีลไม่ใช่สำนา้าอ้าตนว่าเป็นสำนา้าไม่ใช่ผู้เป็นนักปวดอ้างตนว่าเป็นนักบวดเป็นคนเน่าไนเปียกแข็เหมือนบ่อเทขยะมบนปอยบอกเป็นซ่อนเล่นหมาชี้เลื่อน ง, งูเปื้อนคูดวะมือถือศอกห่าถือศีลหัยใจรั้นอยู่ใจอ้งนจีนหมา ฉันบอกเราจึงฝึกสอนต้นให้ดีีนิ้หูก็ฟังนิ้ตาก็ดูบางอย่างไปโดยสอนดูเอาคนดีคนชั่วยอย่างไรดูออกไม่ชัว่วเม็ดตีอย่างไรฟังออกเขาชวนไปทางเล่นไปชวนไปทางเก็บหอยรู้จักว่าเม็ดไปดี ไอ้ห้ามไม่ทำชั่วให้ทำความดีพากลับบ้านอันนั้มิตรแท้ควรครบในโลูกนี้มันมีมิตรแท้มิตรเทียมคนเทียมมิตรมีเยอะแยะมิตรปลอกลอกมีเห็นประโยชน์คขาเพื่นจะเอาประโยชน์อันนี้ก็มีหลอกลวงก็มีเพื่อจะได้ประโยชน์นนเราจึงระมัดระวังในโลกนี้ ไม่ได้ปูไว้ผมจะเมือไปถูกขา ต, ต้องบำมอราวางในตัวเราก็มีขึ้นในชุดเราก็มีวิธีปฏิบัติทำก็ไปเจอปูเขากวางง่วงเอาหอนอนมีหวังกันไปให้รู้จึกตัวเวลาทาความดีงว่วงอ็าหนังสือง่วง เวอนั่งดูหนังฟังเพ่งไม่ง่วงมันเป็นขึงที่ขวางกั้นให้ไม่เกิดคุณงามความดีขวาง ม, ม่วงหงอหอนอนความละเลยสงสยัยความคิดตุงชานโอ้เนี่ยส่นสิ่งขวางกัน้นจิตให้บรรลุคุณงามความดีอย่าท้อถอยฝันพาไปรู้จักตัวรู้จักตัวหัดตนสอนตนโอ้แล้ว ต้นตาก็ไม่ดีเชียนะอะกาบผ่าพอน